ตอนที่29ไม่ตกลงเย่เยาเองก็ไม่อยากไปนางพยายามอยู่ห่างจากหลินเซินและยิ่งไม่อยากข้องเกี่ยวกับเซี่ยชิงจือแม้แต่น้อยทว่าประโยคสุดท้ายในเทียบเชิญระบุชัดเจนว่าหากนางไม่ไปเซี่ยชิงจือจะรอจนกว่าเย่เยาจะปรากฏตัวเมื่อพิจารณาจากนิสัยที่ชอบก่อเรื่องโดยไม่ตั้งใจของเซี่ยชิงจือแล้วถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าจะนําพาความยุ่งยากอะไรมาให้อีกนางถามขึ้นกระทันหันว่าพี่ชูชื้อจะกลับเจียงหนานโดยทางเรือใช่หรือไม่ เจียนเจียครุ่นคิดครู่หนึ่งใช่เจ้าข้าคุณชายเปี่ยวจะล่องเรือลงใต้ไปเจียงนานเวลานี้น่าจะยังไม่ออกเดินทางเปลี่ยนชุดถ้าเรืออยู่ใกล้กับหอทิงสเสวี๋ยเยี่เย่ยังคงรู้สึกผิดต่อชูชื้ออยู่เสมอนางจึงแอบยืนอยู่ไกลๆเพื่อส่งชูชื้อขึ้นเรือนางทําได้เพียงส่งเขาเช่นนี้ไม่อาจชดเชยความติดค้างได้มากมายนักแต่อย่างไรก็ถือเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆ เรือสินค้าของชูชื้อนั้นใหญ่โตและหรูหราที่สุดบรรทุกสินค้ากลับไปเต็มลำเยี่ยยมองดูเขาตรวจนับสินค้าอย่างละเอียดจากระยะไกลด้วยความเงียบสงบเขายังช่วยพยุงคนงานคนหนึ่งที่เกิดจะ ก, ก้าวพลาดตกน้ําด้วยขณะที่เรือกําลังจะออกจากฝั่งชูชื้อเงยหน้าขึ้นโดยไม่ตั้งใจสายตาของทั้งสองประสานกันพอดีแววตาของชูชื้อฉายแววประหลาดใจและคนยินดีเขาจําเยี่ยยได้ในทันทีแม้จะอยู่ไกลกันมากก็ตาม น่าเสียดายที่เย่เยมองไม่เห็นความยินดีในดวงตาของเขาแต่สายตาที่หยุดนิ่งจ้องมองกันนั้นนางอ่านมันออกเขาไม่ได้โกรธนางแล้บอกให้นางอย่าได้โทษตัวเองอย่าได้รู้สึกผิดชูชือรู้ว่านางเข้าใจเขายิ้มบางๆก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในห้องพักบนเรือเรือสินค้าละมืดหือมาค่อยๆเคลื่อนห่างออกไปจนกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆหลังจากกล่าวคําว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพในใจเงียบๆเยเยก็หันหลังกลับอย่างเด็ดเดี่ยวไปกันเถอะ เจียนเจียและไปลู่เดินตามหลังนางออกจากท่าเรือไปยังไม่ทันถึงหอทิงสเสวี้ยก็บังเอิญพบเกี้ยวของเซียชิงจือบนถนนสายหลักเยี่ยวยเดินทางอย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังถูกนางจำได้เกี้ยวคันนั้นขวางทางเยี่ยเยาไว้เมื่อเห็นว่าคนที่ลงจากเกี้ยวคือเซียชิงจือเยี่ยวก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปหอทิงสเสื้ยแล้วเพื่อไม่ให้ต้องนั่งคุยกันยาวเหยียดจนเซียชิงจือพูดไม่จบไม่สิ้นคุยกันบนถนนสายหลักนี่แหละจะได้รวบรัดตัดความ ทั้งสองถอยเข้าไปในตรอกที่เงียบสงัดโดยมีเจียนเจียไปลู่และคนของเซี่ยชิงจือคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆฝั่งตรงข้ามถนนมีพ่อค้าแผงลอยคนหนึ่งมองมาแต่ไกลเห็นเทียงเกี้ยวอันหรูหราที่มีตราประจำจวนสิ้นอ๋องของเซี่ยชิงจือเท่านั้นพ่อค้าคนนั้นรีบก้มหน้าลงดึงหมวกปิดบังใบหน้าเพื่อนร่วมทางสองสามคนที่อยู่ข้างๆกระสิบประซาบกันเสียงเบาคนของจวนสิ้นอ๋องพวกเราหลบไปก่อนดีกว่าพ่อค้าพยักหน้าแล้วเหลือบมองไปที่ฝั่งตรงข้ามอีกครั้ง นอกจากคนหามเกี้ยวไม่กี่คนแล้วเกี้ยวหลังใหญ่โตนั้นก็บดบังคนอื่นๆไว้จนมิดพ่อค้าขมวดคิ้วก่อนจะนำเพื่อนร่วมทางรีบเร้นกายหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเหตุการณ์ล่าสังหารครั้งก่อนเซี่ยชิงจือรู้สึกไม่สบายใจนักเมื่ออยู่ในตรอกที่รับตาคนเช่นนี้ที่เย่เยาวมิสู้พวกเราไปที่หอทิงสเสวียนั่งลงแล้วค่อยๆ ค, คุยกันดีกว่าข้าไม่อยากคุยกับเจ้าไปเรื่อยๆเยี่เยาว์เอ่อยขัดอย่างไม่เกรงใจหากเจ้าเป็นข้า ในเวลานี้เจ้าคงไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้าข้าด้วยซ้ำแล้วจะให้ข้านั่งลงคุยกับเจ้าไปเรื่อยๆได้อย่างไรมีอะไรก็รีพูดพูดจบแล้วจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในที่แบบนี้อีกเย่เยาวางท่าแข็งกร้าวเสียชิงจือไม่มีโอกาสปฏิเสธเลยนางก้มหน้าลงทําท่าทางเหมือนจะร้องให้อีกครั้งหากไม่ใช่เพราะเห็นว่านางมีผ้าคลุมหน้าปิดบังบาดแผลที่ชัดเจนว่าเยี่ยังคงหมดความอดทนจนหันหลังเดินหนีไปแล้วจริง ๆ, จงๆเจ้าบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับข้าไม่ใช่หรือ พูดไม่กี่คำก็จะร้องให้แล้วหรืออย่างไรทำไมจะกลับไปฟ้องพี่เซินของเจ้าอีกหรือว่าฆ่ารังแกเจ้าเสียชิงจือตกใจรีบระล่ำรักปฏิเสธข้าเปล่าข้าไม่ได้พี่เยี่ยวท่านอยากเข้าใจผิดนะข้าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นปากบอกว่าไม่ตนางก็เริ่มปาดน้ําตาและสะอึกสะอื้นร้องให้ออกมาเสียแล้วเยี่ยยเอาเจ้ามาหาข้าเพื่อให้ข้าดูเจ้าร้องให้อย่างนั้นหรือ ดูว่าเจ้าน่าสงสารและทุกทรมานเพียงใดที่ถูกจนกัวกมโทษเสียชิงจือไม่ใช่เจ้าคะไม่ใช่จริงๆพี่เยี่ยเยาท่านอย่าทำแบบนี้เลยค่าค่าน้ำตาของนางร่วงเพาะหนักกว่าเดิมความอดทนของเยี่เยาใกล้จะหมดลงแล้วนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วข้าจะนับหนึ่งถึงสามหากเจ้ายังไม่หยุดร้องข้าจะไปจริงๆแล้วหนึ่งเสียชิงจือหล่นลานค่าค่า สองได้ข้าไม่ร้องแล้วเสี้ยชิงจือรีบเช็ดน้ําตาและสูตรน้ํามูกอย่างแรงกลืนความสะอื้นทั้งหมดกลับลงไปเหยียวยาวฝืนใจไม่นับถึงสามแล้วลดมือลงพูดมาเสี้ยชิงจือยังคงอึกอักอยู่นานพูดจะวงเวียนไปมาจนจับใจความไม่ได้ที่เยียวยาวข้าข้าอยากจะขอให้ท่านช่วยอะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเป็นเพียงเรื่องเล็ก เ, กเกน้อยๆเท่านั้นเพียงแค่ท่านช่วยพูดจะดีๆให้สักสองสามประโยค ก, ก็พอ เยี่ยยาวชาติที่แล้วทําไมข้าถึงไม่ยักย้ายเห็นว่านางพูดจาไม่เข้าประเด็นขนาดนี้เหล่าก๋อกงยังส่งกลิ้เรื่องอาหารยาอยู่ใช่หรือไม่ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายหูหญินเท่าจริงๆนะข้าข้าไม่ได้เจตนาข้ารู้ซึ้งถึงความผิดแล้วเยี่ยยาวเริ่มปวดหัวบอกมาว่าเจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรเสี้ยชิงจือชะงักไปครู่หนึ่งกว่าจะเรียบเรียงความคิดได้คือว่าเหล่าก๋อกงไปทูนฟ้องต่อหน้าฝ่าบาท ่าบาดจึงทรงเรียกหวังเย่เข้าวังไปตําหนิเสียยกใหญ่พรุ่งนี้ตอนเข้าเฝ้าเช้าขุนนางผู้ตรวจการจะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีหวางเย่แน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะข้าและหวางเย่ก็มีพระคุณต่อข่าประดุดขุนเขาข่าจะนิ่งดูได้ได้อย่างไรดังนั้นเย่เยาเอ๋ยขัดนางเป็นครั้งที่สาเข้าใจแล้วเจ้าอยากให้ข่ากลับไปพูดช่วยจนสิ้นอ๋องต่อหน้าท่านพ่อและพี่ชายเพื่อให้พรุ่งนี้พวกเขาช่วยพูดให้หวังเย่ในราชสํานักใช่ไหม เสี้ชิงจือพยักหน้าเงึกๆด้วยความดีใจพี่เยเยาท่านช่างแสนรู้ใจจริงๆข้ายัางไม่ทันพูดท่านก็เข้าใจแล้วเยี่เยาเป็นพระเจ้าพูดใจเยิ่ยนเย้อเกินไปต่างหากเสียชิงจือเช่นนั้นพี่เยเยาท่านตกลงช่วยข้าแล้วใช่ไหมไปตกลงตอนไหนกันเยี่เยาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ตกลงเสียชิงจือชะนักงานด้วยความตกตะลึงประการแรก เจ้าทำร้ายท่านย่าของข้าครั้งแล้วครั้งแล้วแค่โดนตบไม่กี่ทีกับคุกเขา่าเพียงครู่เดียวเนะื้มันยั่งน้อยไปด้วยซ้ําประการที่สองเป็นพระจนสิ้นอองตามใจเจ้าจนไรเดียงสาเช่นนี้เจ้าถึงได้ก่อเรื่องไม่หยุดหย่อนการที่สิ้นอองถูกฝาบาทตําหนิก็ถือว่าสมควรแล้วประการสุดท้ายเมื่อเทียบกับความทุกขารมานที่ท่านย่าของข้าได้รับการที่หวังเย่ถูกขุนนางผู้ตรวจการตําหนิในราชสํานักเพียงไม่กี่คํามันจะสลักสําคัญอะไรนักหนา แค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรือแล้วความเจ็บปวดที่ท่านย่าของข้าได้รับเราจะนับเป็นอย่างไรเย่เยาพูดรัวเร็วด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพลานจนเผลอขึ้นเสียงสูงนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนจะยกยิ้มมุมปากทุรนี้ของแม่นางชิงจือข้าคงช่วยไม่ได้แต่ข้ามีคำแนะนำให้เจ้าอย่างหนึ่งเสียชิงจือถูกนางตอกลับจนอึ้งไปตามไม่ทันความคิดของเย่เยา ว, ว, วตาเต็มไปด้วยความสับสน รอยยิ้มที่มุมปากของเย่เยาแฝงไปด้วยความเจ้าเลนางจงใจลดเสียงต่ำลงเจ้าผู้ถูกเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นพระเจ้าตอนนี้เรื่องแพร่ออกไปแล้วต่อให้จวนกัวกงช่วยพูดให้พวกเจ้าก็ไม่มีประโยชน์พวกขุนนางผู้ตรวจการหักจ้องจะจับผิดใครแล้วย่อมไม่ยอมปล่อยมือไปง่ายๆหักเจ้าไม่อยากให้หวังเย่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเจ้าก็แค่ยืดออกรับผิดชอบทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียวก็พอ